วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งในชาวพุทธของเราวงปฏิบตัติมีพระท่านเรียกว่าพระกรรมฐานท่านอยู่ในที่ต่างๆไม่รวมกันเข้ามาเบื้องต้นก็มาทำวัตรขอเ้ามาลาโทษซึ่งกันและกัน เพราะคนเรามีกิเลสย่อมมีความผิดพลาดได้เช่นเดียวกันการขอเข้ามากันยอมรับโทษของตนที่ผิดพลาดประการใดแล้วโทษอันนั้นก็จะไม่กาเริบเสื่อสารต่อไปเมื่อทะานฝ่ายหนึ่งได้รับทราบซึ่งการละกันแล้วโทษเหล่านั้นจะระงับตัวลงไปเป็นอันว่าสราบสูญหายไปไม่กําเริบเสื่อสารต่อไปการจึง มีการขารวะขอโทษให้อภัยโทษกันต <c oughs> านี้เป็นต้นมาตั้งแต่ครั้งพุทธการเรา <c oughs> เจริงๆเนี่ยอันเรียก ว, ว่าธรรมวัตรธรรมบัตรคือขอเข้ามานั่นเอง <c oughs> <c oughs> วันนี้บรรดาพระเจ้าประสง์ส่วนมากก็อยู่ในป่าในเขาในอุตสาด้านด้านออกมาหาครูหาอาจารย์ที่ตน เห็นว่าเป็นที่เคารพนับถือแต่พาะอย่างยิ่งในวันนี้ท่านตั้งหลายก็อุตส่าห์มาจากที่ต่างๆแต่พาะอย่างยิ่งก็ภาคกลางับภาคตะวันออกมากกว่าภาคอื่นเดีย๋ยวมารวมกันอขอเขามาลาโทษแล้วสดับจับฟังซึ่งอัตธรรมที่จะควรนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมแก่เพศของตน เพศของตนคือพระเพศของพระนี่เรียกว่าเพศนักบวชเพศนักบวชนี่คือเพศแห่งนักรบนะนักรบกับกิเลสตัณหาประเภทต่างๆในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าจงกระทั้งบันปาริพานการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็ทรงสั่งสอนอยู่ในป่าในเขาทั้งนั้นเป็นส่วนมาก หากจะแสะดงภายในที่ต่างๆบ้างก็เป็นการเป็นเวลาใ้เป็นพื้นฐานจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในตาแดนพุทธศาสนาของเราเป็นแดนป่าเป็นที่สถิตแห่งธรรมจากผู้ปฏิบัตินับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ป่าเขาลำนาไพร กับพระผู้ต้องการความสงบสมาติจะกํำจัดกิเลสออกจากใจย่อมถือป่านี้เป็นสำคัญเพราะเป็นสถานที่สงบกงกเงียบปราศจากสิ่งก่อควรทั้งหลายได้บำเพ็ญโดยตนด้ว ย, ยความสะดวกดังพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทให้ทุกๆองค์บรรดาพระที่บวชในแดนพุทธศาสนานี้ ไม่มีแว่นแต่องค์เดียวนอกจากจะเป็นพระแหวกแนวอุปชาแหวกแนวไปสอนนอกรูนอกทางลบทำจำเป็นที่พระพุทธเจ้าประทานให้ให้พระทุกองค์นี้ออกเสียกรรมฐานข้อนี้อาจจะไม่มีก็ได้แต่หลักเป็นหลักใหญ่ที่มีมาดั้งเดิมก็ท่านสอนว่าลูกขโมลเส้นาสนางนิสายปะปปจจาตัทะ แต่ยาวาชีวังอุซ่าโอปารณิโยบรรพชาวสมติแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขมนลต้นไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเนือ้อผาป่าช้าป่าโลชัดที่แจ้งรองฟางอันเป็นสถานที่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเพราะไ ม, ไม่มีสิ่งรบกวน ขอให้ท่านต่างหลายจงอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีมิตเถิดนี่ประธานพระโอวาทให้แก่พระสงฆ์ทุกองค์ไม่มีแว้นในอนุสาสตร์เครื่องพร่ำสอนข้อนี้เพราะฉะนั้นพระเราจึงนิยมอยู่ในป่าเป็นพื้นเป็นฐานมาดั้งเดิม แล้วกระจาไปท่านก็บอกไว้ว่าอารั ญ, ญาวาสีคามวาสีผู้อยู่ในบ้านก็ได้ท่านไปบังคับบัญชาอืมอย่าว่าเป็นแต่เพียงว่าอยู่ไหนอย่าทำบาปสัพ ป, ป, ปาปัสสะอระนังอย่ากระทำบาปทั้งปวงหนึ่งกูเชลสูปัสมปดาปทายังผู้สนคือความฉลาดรักษาตัวให้ถึงพร้อมหนึ่ง สักขีตะปริโยดปันนัง <c oughs> ทำจิตของตนให้มีความสะอาดปร่งใสจนกรทั่งถึงนิมุตหลุดพ้นหนึ่งนี่เป็นพระโอวาตกรรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ประทานให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายตลอดมาอื <c oughs> เราอยู่ในป่าอยู่ในป่าก็ให้บำเพ็ญทำทั้งสามข้อนี้อยู่ในอยู่ในบ้านก็ให้บำเพ็ญทำทั้งสามข้อนี้ ก็เชื่อว่าเป็นมงคลสําหรับผู้อยู่ในสถานที่ใดไม่ละธทมข้อนี้ส่ <c oughs> วนมากท่านสอนให้อยู่ในป่า <c oughs> เพราะเป็นความสงบสงัดกําจัดวิเลสได้ง่ายกว่าในแดนบ้าน <c oughs> ไม่มีใครที่จ ะ, ะเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าการรบรบกับวิเลศนี้พระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งทรงได้ชัยชนะมาแล้ว จึงได้นําวิธีการต่างๆมาสั่งสอนสัตว์โลกต่อไปเช่นสอนพระก็สอนให้อยู่ในป่าในเขาลําเนาไทยอันเป็นที่สะดวกสบาย <c oughs> นี่เป็นการดําเนินของพระในหน้าที่การงานของพระที่จะบําเพ็ญอยู่ในป่าเช่นนั้นท่านสอนว่า ง, งานนี้คืออะไรนี่ละพระพุทธเจ้ามอบงานให้ พอบวชเข้ามาก็ประทานโอวาททีเดียวเกษาโลมาหนขาทันตาตาโตผมขนเลบฟันหนังนี่เวลาแปลแล้วเกษาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนเรือเ่อยมาพอไปถึงตาโจแล้วท่านจุดเ <c oughs> พราะว่าหนังนี่เป็น ธรรมชาติที่หุ้มห่อรอบตัวของบุคคลภูเขาทั้งลูกไม่มีใครหลงใครลืมใครติดใครพันกับมันแต่ภูเราคือผูหญิงผูชายนี่ถือว่าเป็นเราเป็น้องเราจากหนังเป็นสำคัญผิวมันเพียงบางๆเท่านั้นเรียกว่าผิวหนังนี่แหละประดับไว้ข้างนอก ภายในมีตั้งแต่ความปฏิกูลโส โ, โครกเต็มไปหมด <c oughs> นี่ละ่ะท่านเพียงสอนเพียงตะโจพ่อนลอกหนังออกหมดแล้วภายในนั้นจะรู้ไปโดยลำดับลำดาตั้งภายในผมคนเลยกฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกับไตไส้ผูงเลือเล่อยเข้าไปท่านสอนสอนแล้วสอนเล่าให้นำทำข้อนี้ เป็นอาวุธติดมือติดตัวติดใจตลอดเวลาใครจะพิจารณาหนักแน่นในในอาการใดก็ตามนี่เป็นทางบุกเบิกเพิกะสอนสิ่งที่เป็นขวากแวนน้ำได้จากิเลสคือตัวให้เกิดให้ความลักความชางังอุปทานความมีมั่นถือมั่นแล้วสร้างความกังวลวุ่นวายขึ้นมาต่อจากนั้นก็ฟิเลตัญหาประเภทต่างๆก็ รวมขึ้นมาในต้นกิเลสอันนี้แหละของท่านเพงสอนนี้ให้พิจารณา <c oughs> อยู่ที่ใดที่ใดใครไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชคารว่าผู้ต้องการหลุดพ้นความจากทุกขจากสิ่งพัวพันคือกิเลสเพราะกิเลสมันพัวพันได้ทั้งหญิงทั้งชายนักบวชและคารว่าเราจึงต้องได้รับความทุกข์อยู่ในวงแห่งความขั้วภูมิของมัน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องได้พิจารณาพูดที่จะหนักแน่นให้ในธรรมทั้งหลายมากขึ้นไปธรรมเหล่านี้ยิ่งเป็นธรรมจำเป็นขึ้นมาเช่น <c oughs> <c oughs> อยู่ในปา่าเอาเราจะเจริญทรรมบทใดติดกับใจของเราเบื้องต้นให้เป็นสมถะธรรมก่อนด้วยเจละสาโนมานาขาทันตาตะโจนีอาศัยธรรมบทนี้เป็นเครื่องบ ร, ริกรรมกํากับใจเพื่อความสงบใจ เจสาเกสาเจส า, าก็ได้โยมานะขาตะตาหรตะโจตะโจก็ได้ตามแต่ชั้หนักในกรรมฐานบทใดแล้วนํามัดบริกรรมให้ใจติดพันอยู่กับกรรมฐานบทนั่นๆจนเกิดความสงบใจเนี่ยใจจะสงบได้เมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วใจจะไว่กําเลิกสืบสารไปไหนนอกจากที่แหวกนแนวออกจาก กรรมฐานทั้งห้าที่เป็นรั้วกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยนี้เรา <c oughs> ตเตลิดเปิดเปิงออกจากรั้วกัน้นอันนี้ไปเสียมันก็หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของตายได้ง่ายเสียหายได้ง่ายถ้านจึงให้นำธรรมเหล่านี้มาเป็นเครื่องบริกรรม <c oughs> บริกรรมจนติดใจใจจะเกิดความสงบถ้าลงธรรมได้ ติดกับใจแล้วไม่ว่าทํำบทใดจะกล่อมใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นลําดับลําดาไปกลายเป็นสมถะธรรมขึ้นมาสมถะธรรมคือธรรมความคือความสงบใจจากกรรมฐานบทนั้นๆทีนี่เมื่อใจมีความสงบเยือกเย็นพอเป็นปากเป็นทางเป็นบาทเป็นฐานแล้วก็เอากรรมฐานทั้งห้านี้แหละแยกออกถเป็นทางวิปัสสนา เจสานแยกเจสาเป็นธาตุเป็นขันยังไงอารมาณ์มานะขาทันตาแต่โจแยกแตกกระจายออกไปถึงเนื้อหนังเอ็นกระดูกทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุตีก็แตกกระจายกระจายไปด้วยปัญญานี่อารมณ์แห่งกรรมฐานทั้งท่านี่เป็นได้ทั้งสมณะเป็นได้ทั้งยิปัจนาอืท่านพินิพิจารณาอย่างนี้ <c oughs> และนักบวชเราให้หนักแน่นในการพิจารณา เรื่องอันนี้ให้มากนะถ้าห่างจากนี้แล้วก็เลอะเลอะเถอะเถอะขอให้หนักแน่นแต่เพราะพิจานากรรมาฐานเรื่องอสุพระอสุรภัง์นี่เป็นจิจจำเป็นอย่างมากสาหรับพระเราต้องพิจารณาอสุพระอสุพรภัณ์ความไม่สวยไม่นามทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายเอามาพิจารณาแยกแยก ให้เห็นเป็นของปฏิกูลโสพโ้อจิตใจจะได้เบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นถอนตัวมาจากความกังวลและอุปาทานทั้งหลายใจจะมีความสงบเย็นเรื่อยๆขึ้นไปนี่การพิจนาะ <c oughs> ท่านผู้ใดพิจนะิตเมื่อมีจิตใจสงบพอสมควรแล้วด้วยบทธรรมสมถตาธรรมตามที่กล่าวนี้นแล้วและแยกออกไปพิจนาทางด้านปัญญาแล้วยกธาตุโยกขันตกกายของตนขึ้นมา พิจารณาเรื่องสกดากายนี่หาความสวยความงามความก <c oughs> ีลางถาวรความสุขความเตริญกับตัวของมันทีร่างกายของเรานี่แหละพิจารณาแยกไปแยกมามองเ ข, า ам, ข้าไปปั๊บก็ไปเจอเอาผมนั้นเสียเนี่ยอันขนเลยบฟันนี่เสียอันนี้มันสะอาดที่ตรงไหนสวยงามที่ตรงไหนได้ชดัดได้ล้างตลอดเวลา อยู่ที่ไหนคนไปที่ใดสร้างความสกรปรกที่นั่นในบ้านในในเรือนที่หลับที่นอนหมอนมุ้งต้องได้ชำระ ส, ส, ส áng, ะสางช้าล้างอยู่ตลอดเวลาเพราะร่างกายนี้เป็นตัวสกรปรกไปอยู่ที่ไหนมันจะสร้างความสกรปรกขึ้นมาเราจึงต้องได้ชาดด้าเดยล้างนี่พิจารณาเป็นอย่างนี้ถ้าร่างกายเป็นของลีบของนีไปอยู่ที่ไหนก็ต้องสะอาดไปหมดทัะไงไปที่ไหนจะ ร่างกายไปไหนสะอาดที่นั่นสะอาดที่นั่นนแต่นี่ร่างกายไปที่ไหนสโสกกะบอกที่นั่นเข้าไปอยู่ในที่นอนกที่นอนก็สกโสกกะบกเข้าไปไหนสโสกะบกหมดคือร่างกายนี่เรียกว่าพิจานาอสุภาอาสุพังจากนี้ก็แยกทั้งเขาทั้งเราในโลกอเนียซึ่งมีร่างกายอยู่กันทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนั่นแหละแล้วมันเป็นสภาพเดียวกันพิจารณา ใั่เห็นจริงเห็นจังในสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าปัญญาแยกธาตุแยกขันดูอสุภะอสุภังใครพิจารณาทำอันนี้อสุภะอสุภังได้มากเท่าไหร่ผู้นั่นจะมีความสงบเย็นลงไปโดยลําดับพิจารณาเรื่อยๆเหมือนเขาคลาดนาคลาดไปคลาดมาคลาดไปคลาดมาไม่นับเที่ยว คอยดูตั้งแต่มูลคาดมูลไถแหลกละเอียดขนาดไหนพอปากพอดำได้แล้วอย่างนั่นละถ้ามูลคาดมูลไถแหลกละเอียดพอปากพอดำเขาก็ปากก็ดำอันนี้การพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังมีความอิ่มพอได้ <c oughs> เวลาพิจารณาเบื้องต้นก็ต้องได้ฝึกหัดจริงๆบังคับบัญชาใส่สิ่งเหล่านี้ คนอยากจะวิ่งเพราะจิตนี้มันอยากจะวิ่งไปหาความสวยความงามทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีมันหาลมๆแรงๆไปอย่างนั้นละ่ะหาความสวยความงามไปเจออะไรอะไรก็มีแต่สวยแต่ ง, งามมันสวยมางามอะไรมันมันมหาเอาเป็นลม ๆ, ๆแรงๆเอาลมๆแรงอะไรมาเป็นอารมณ์เผาหัวใจเกิดให้ให้เกิดความรักความจำความกำนัดยินดีเกลียดโกรธกันไปก็เพราะจิตมันคลึกมันกนอง ทีนี้เวลาพิจารณาให้เต็มแม่เต็มหน้วยเขาโดยลำดับร่างกายนี้ <c oughs> จะปรากฏในตัวของเราประจักษ์ชัดเจนเลยนักปฏิบัติจะรู้ด้วยกันทุกคนสารพิจารณาร่างกายของเราของเขาให้เป็นอสุภาอราอรุภามจนมีความ ช, นชนานิชานานเนี่ยไปที่ไหนมันจะเป็นอรุภาตลอดเรามองดูเราก็เป็นอรุภเด่นที่ไหนอรุภานีเด่นจุดไหน มันจะรู้ในตัวของเราเช่นเนื้อเช่นหนังเช่นเอ็นเช่นกระดูกอ่างนี้มันจะเด่นอยู่ภายในใจทีนี้มองเห็นไข่ก็ตามมันจะเป็นเหมือนมองดูตัวของเรา <c oughs> ดังที่ภิกษุรูปหนึ่งท่านกําลงสมณธรรมตอนนั้นท่านกำลังพิจารณากรรมฐานอยู่ในขั้นมองเห็นอะไรเป็นกระดูกไปหมดมองเห็นอะไรๆทั้งหมดเนื้อหนังไม่เห็น เพราะท่านจำนานทางกระดูกพอมองเห็นคนเห็นสัตว์เป้งกระดูกโครงกระดูกไปหมดไปหมดแล้วก็อพอดี <c oughs> มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาที่ท่านภาวนานอยู่นั่นผ่านไปไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแบบที่ท่านพิจารณาอยู่นั่นแหละเ น, นือสัตว์ปเดี๋ยวสามีเขาก็ตามมาเข า, า ม, มาถามท่านเนี่ยท่านพูดภาษาธรรมท่านพูดตรงตรง มาถามท่านว่าเห็นผู้หญิงผ่านไปที่นี่ไหมถามถามท่านว่าท่านบอกไม่เห็นเห็นแต่โครงกระดูกนั่นละผ่านไปนี่นันท่านพูดตามว่ามจริงนี่เอามาพูดนี่หมายถึงว่าความชำนาญในการพิจารณาจิตท่านพิจารณาในโครงกระดูกจนมองไปเห็นอะไรเนื้อหนังไม่เห็นเห็นตั้งแต่กระดูกที่โครงเต็มตัว หรือเวลามองเห็นหญิงคนนั้นก็เป็นซี่โครงเต็มตัวเวลาผัวเขามาถามก็ก็บอกว่าเห็นแต่ซี่เห็นแต่โครงกระดูกอะไรนี่เรายกมาเป็นตัวอย่างคือความจำนานในทางด้านจิตใจเมื่อเวลาพิจารณานี้ให้หนักแน่นเข้าไปแล้วมันจะมีความคล่องแคล่วแกล้าติดกับหัวใจของเรา อาุภ่าสุปรรชํนชนานิชํานาญมากเท่าไหร่เท่าไหร่ราคะตันหาจะลดลงลดลงจำไม่ดีวันนี้สอนนักปฏิบัติเอาพื้นฐานมาสอนก่อนตั้งแต่เจสาลุ ม, มาณขาทันตาตะโจแล้วจากนี้แยกเข้าไปสู่ทางที่ปรารถนาอาุภ่าสุพรรแยกส่วนแบ่งส่วนแล้วพิจรารณาแล้วพิจราจรณาเล่าซ้ําๆสากๆจนกระทั่ง ใจิตใจของเรามีความชํานีิชํนานาญมองไปที่ไหนไม่จับอาชุพะเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรานั่นแหละเรียกอาชุพะแก่กล้าสามารถกําหนดให้ให้แตกเมื่อไหรได้ให้พังทลายเมื่อไหรได้ให้ตั้งอยู่ก็ได้ให้รวดเร็วขนาดไหนได้ น, นี่ท่านเรียกว่อาอาชุพะชานีิชํนานาญแล้วให้เมื่อมันชํานีิชํนานาญแล้ววิธีการที่จะตัดสินราคะภานายัย จ, จิตใจ ไม่ได้ตัดสินที่อสุภาษสุพรรณนั่นนะอันนั่นเป็นหินรับปัญญาต่างหากพิจารณาอสุภาษะสุพรรณแก้วกล้าสามารถขนาดใดก็ตามก็เป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าคมกล้ า, มาเมื่อถึงเข้าขั้นที่มันจะตัดสินกันแล้วอสุภาะสุพังกําหนดมาไว้ข้างหน้าของเราเนี่ยที่เราว่าชํานาญชนานาญมันแยกแยะยังไงก็ได้ให้ทําลายก็ได้ครับ มื่เลือกช้าเร็วอะไรอแต่บัดนี้เพื่อจะดูความจริงจากอาสุภานี้มันไปจากไหนมาจากไหนไปที่ใดจะดูความจริงของมันหรือยิงตั้งอาชุพ่าที่ตนพิจารณาอย่างข้องแคลนนั้นที่โกงหน้าของเราแล้วไม่ต้องโยกย้าเคลื่อนไหวไปไหนตั้งไว้นั้นแล้วไม่ต้องทําลายอา้อาวอสุภานี้มันจะไปอย่างไรมาอย่างไงนี่แหละ อาจะเป็นตอนที่จะตัดสินอาุภะราคาตันหาจะตัดสินกันที่ตรงนี้เพราะยิจนาอาซุภะอาุอภาังเต็มตัวแล้วเอามาตั้งไว้ทีน่นาเมื่อเห็นว่าจํานี้ยำนานแล้วแพงดูเอาอุภะนี้มันจะไปที่ไหนตั้งไว้ น, นี่ละมันจะไปที่ไหนดูความเคลื่อนไหวของอาุภะนี้เราไม่ต้องไปโยกไปย้ายไม่ต้องไปทำลายแต่จะดูความจริงของอสุภะที่เราตั้งเอาไว้นี้ พอตั้งไว้นี่เนี่ยถ้าตั้งไว้ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็แสดงว่าอาุภานี้ยังไม่พอเอาเร่งเขาอีกเร่งเขาอีกแล้วมาฝึกซ้อมแบบนี้อีกเอามาตั้งไว้ตรงหน้านี่อเอามาตั้งทีนี้เมื่อมันพอแล้วอาุพะกับใจนี้มันจะรื้นกันเข้ามารื้นกันเข้ามาอสุภ่าที่เราตั้งไว้ทางหน้านั้นมันจะ ใจนี่จะดึงจะดูดเข้ามาดึงเข้ามาดูดเข้ามาสุดท้ายอสุภภะกับใจเรานี่มันมาเป็นอันเดียวกันเรียกว่าอสุภภะที่ตั้งวันนั้นมันไปจากใจหมุนเข้ามาสู่ใจใจเป็นอรูภะเสียเองอสุภภะไม่มาจากไหนมาจากใจตอนนี้แหละเป็นตอนที่เราจะตัดสินได้พอเราจับวันนี้ว่าอสุภภะหมุนเข้ามาสู่ใจใจเป็นอรูภะเสียเองเท่านั้นมันก็ปล่อยอสุภะขังนอก จะํานี้จำนานขนาดไหนมันก็ปล่อยนั้นมายึดนี้เป็นหลักแต่ก็ต้องอาศัยอาชูป้าภายนอกมาเป็นหินรับปัญญาฝึกซ้อมเพื่อความจานี้จานาอยู่นั่นเองเรากำหนดเมื่อไรตั้งหรือเมื่อไรมันจะมันจะดูดเข้ามาภายในใจดูดเข้ามาภายในใจแล้วรวดเร็วเข้ารวดเร็วเข้าเป็นลำดับลาดาษนี่เรียกว่าจิตได้ระดับแล้ว พูดถึงเรื่องราคาตัณหานี่สอบได้แล้วเป็นเป็นระดับที่สามอนาคามีไม่บอกก็รู้ตัดสินกันที่ตรงนี้แต่เป็นระดับที่สอบได้นี่หมายถึงผู้พิจารณาตามธรรมดาท่านๆเราๆมาหมายถึงท่านผู้เป็นชิปปาปิญญาที่รู้ได้เร็วนั้นนั้นพวดไปหมดเลย อันนี้เราลำดับลำดาตามการปฏิบัติของเราที่เชื่องชาให้ฝึกเป็นลำดับลำดาทีนี้พออรู้พระที่เรากาหนดวันนี้มันถูกดึงดูดเข้ามาสู่ใจใจมาเป็นอรูุพระเสียเองใจอันนี้ก็ถืออรู้พระนั้นว่าเกิดจากตัวเองมันมาจากที่ไหนเราจะตั้งไปที่ไหนก็ตามมันมันไปจากใจพอมันเข้าสู่ที่ใจจึงรู้ว่าใจนี้เป็นตัวอรู้พะ จริงๆแล้วมันต่อยกลางนอกาะนั้นก็เอาอุภหะนั่นแหละตั้งเข้ายีกตั้งเขา้ายีี่เรียกว่าฝึกซ้อมแล้วมันจะรวดเร็วเข้าไปพอตั้งเข้าไปมันจะหมุนเข้ามาสู่ใจหมุนเข้ามาสู่ใจหมุนหลายครั้งหลายหนหมุนเข้ามาแล้วดับี่ใจดับใจต่อไปพิจารณาตั้งอุภะตั้งปา๊บหลุดดับปุ๊บดับปุ๊บนี่ผ่านไปผ่านไปสุดท้ายกลายเป็นสุญญากาศว่างอุภะไม่มี นี่เรียกว่าราคาราคาตัญหาขาดแล้วโดยสมบูรณ์หนึ่งไม่ต้องไปถามใครขาดแล้วโดยสมบูรณ์แต่ก็อาศัยเนี่ยฝึกจนกระทั่งถึง อ, อากาศกระทเป็นความว่างเปล่าของจิทีนี้อาจูภาพสุภังไม่มีมีตั้งตั้งแต่ความเกิดความดับในภาพต่างๆจะตั้งภาพใดรูปใดขึ้นมาก็มีจะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปรูปต่างๆ ที่เราพิจารณาให้แยกธาตุแยกขันธ์เป็นอรูปนั้นแยกไม่ทันพอเกิดขึ้นดับพร้อมดับพร้อมนี่เป็นขั้นของจิตที่พิจารณาธาตุต่างๆจาเอาไว้นี่การฝึกฝึกอย่างนี้ไม่ผิดตั้งสติให้ดีตั้งแต่ต้นใครที่อย่างตั้งรากตั้งฐานทางด้านจิตใจไม่ได้ให้ตั้งคําบริกรรมติดกับใจอย่าปล่อยใจให้อยู่เฉยๆมีสติกําหนดตาไม่เฉยนั้นเล้มเดี๋ยว <c oughs> ผมเคยทํามาแล้ว <c oughs> ต้องเอาคําบริกรรมเพราะล้มเหลวมาจากคําตั้งจิตเฉยๆตั้งสติเฉยๆให้อยู่กับจิตเถอะไปได้เถอะไปได้พอคําบริกรรมติดเข้าไปไม่ยอมให้เผอจิตกับคําบริกรรมไม่ยอมให้เผอสติติดแนบอยู่นั่นแล้วจะคิดไปไหนไม่ยอมให้คิดนั่ น, นแหละที่นี่เรีย <c> ก <oughs> ว่าจัดใจได้รับความสงบสงบสง บ, สงบเรื่อยเรื่อย <c oughs> แต่เบื้องต้นนี้ความความปรุงคือสังขาร มันจะผักจะดันให้ชีดให้ปรุงยาชีตยาปรุงจนอกจะแตกนันะ่นไม่ใช่ธรรมดาแต่สติมีมันจะแก่งขนาดไหนก็ตามเถอสติเออเออกิเลสน่ะขอให้มีสติบังคับจิตอย่าให้เคลื่อนไหวให้ลูกรู้อยู่อย่างนั้นเช่นพุโทโธพุโทโธให้รู้อยู่กับพุโทโธติดกับจิตสังขารที่เป็นสมุทัยของกิเลสจะออกไม่ได้นะนี่แหะจิตจะสงบลงสงบล ง, บลงตั้งฐานได้นี่หมายถึงตั้งฐานได้ เอานี่เป็นหลักจากนั้นก็นั่งที่อธิบายมาเลยจนกระทั่งถึงขั้นอจุพะสุพังเมื่อถึงขั้นอจุพะสุพังผ่านอจุภาสุพังไปแล้วอจุพะสุพังไม่มีหมดเหลือแต่ความว่างเปล่าไปทั้งหมดความว่างเปล่ากับความเกิดความดับของสังขารมันเกิดอยู่ภายในจิตนี่เป็นนามธรรมรูปธรรมผ่านไปแล้วตั้งแต่ราคะตัณหาสิ้นซากไปรูปเหล่านี่ก็หมดไปตามๆกัน จะเหลือตั้งแต่ความว่างความความว่างมีสังขารมีสัญญามันชิดมันปรุงอยู่ในขันให้พิจารณาตามอันนี้ไปมันจะเข้าออกเข้าออกอยู่ที่จิตที่จิตไม่จะไปเกี่ยวข้องกับอะไรพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่นักปฏิบตัตินักภาวนาให้ยึดหลักให้ดีอย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้านี่เราอธิบายพอเป็นพื้นฐานให้พากันก้าวเดินตามนี้เรื่องสติเป็นสาคัญมากนะอย่าให้เผลอ ก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปจะพิจารณาอะไรมีสติเป็นสําคัญเป็นพื้นฐาน <c oughs> จนกระทั่งจิตมันก <c oughs> ้าวเข้าสู่ความว่างเมื่อว่างแล้วจะพิจารณาอรูปะอสุปภัง อ, อ, อะไรไม่ทันเกิดพัมดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บเหมือนแสงหิ่งห้อยหรือฟ้าแลบฟ้าแลบชนั้นน่ะจะพิจารณาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ทันจริงจิตจึงต้องผ่านไปก็รู้แล้วว่าพอแล้ว จะนั่งกับความเกิดความดับของจิตความคิดปุง <c oughs> ดีชั่วประการใดที่มันเกิดขึ้นกับจิตเกิดขึ้นมาก็ดีก็ดีชั่วก็ดีมันดับไปที่จิต ด, ดับไปที่จิตตามต้อนกันอยู่อย่างนั้นเรียกว่าวงภายในนามธรรมนี่เรียกว่าปัญญา <c oughs> ปัญญาเหล่านี้เป็นอัตโนมัติมาแล้วตั้งแต่อสุภาสุพังผ่านไปเรื่องพิจารณาอสุภาสุพังนั่นเป็นสติปัญญาชุนนมูลจะเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติไม่ได้นะ เพราะตอนนั้นเป็นตอนชุนนมูลมากทีเดียวพอผ่านจากนั้นแล้วการฝึกซ้อมอาชูพระอาชูปังให้มีความชำนี่ชํานาญชำ น, นิวานั่นแหละที่นี่แป็สติปัญญาอตโนมัติอนมาจกระทั่งหมดปัญหานี้แล้วก็จะเป็นอากาศจะท่าไปละเหลือแต่ความชิดความปรุงภาจในจิตใจความชิดความปรุงภายในจิตใจจะเกิดจากจิต ด, ดับที่จิตเกิดที่จิต ด, ดับที่จิตพิจารณาตามนั้น ไม่ปล่อยวางเรื่องการพิจารณากว้างความ ข, ขนาดไหนก็ตามหมดถ้ามาหมดแล้วเหลือตั้งแต่จิตกับ <c oughs> ความคิดปุ่มของสังขารของสัญญาเป็นต้นเนี่ยอยู่ภายในนี้เท่านั้นเดี๋ยว่าพิจารณานี่ละการพิจ า, ารณาฝึกซ้อมอยู่อย่างนี้ตะลอดเมื่อถึงขั้นนี้แล้วหากรู้ทางของตัวเองนะตั้งแต่ขั้นราคาจันหาผ่านไปแล้วจะรู้ช่องทางตัวเองแน่ต่อความพ้นทุกแน่ต่อความพ้นทุกอยู่กับใจของตัวเองประหนึ่งว่า เอื้อมถึงเอื้อมนิพานเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมไปเรื่อยๆแล้ว <c oughs> นี่การปฏิบัติ <c oughs> การปฏิบัติเรื่องที่จะให้ทําเหล่านี้ก้าวเดินไปด้วยความราบรืร่นดีงามต้องเป็นผู้มีความเพียรสืบต่ออยาคุ้นอยากชินกับสิ่งใดสถานที่ใดอามิทธทั้งหลานในโลกามิทเป็นสิ่งที่ลอดจิต ใ, ใจได้นะ ให้คุ้นกับธรรมชินกับธรรมสนิทกับธรรมอยู่ที่ไหนให้อย่าหยับเหวอสติ <c oughs> พินิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาสติเป็นผู้ควบคุมจนกระทั่งเข้าไปถึงที่ว่างเนี่ยพ <c oughs> อถึงความว่างแล้วพิจารณาอะไรไม่ได้นะวัตถุไม่มีว่างเปล่าก็มีแต่ความเกิดความดับของสังขารมีเป็นตนน้นมีแลักเกิดดับเกิดดั บ, ดบตามเข้าไปตามเขาไปหลายครั้งหลายหนมันก็รู้ฐานใหญ่ของมันคืออวิชชา ปัจจัยาสร้างคาราที่มันหนุนสร้างฐานออกมาเป็นสมุทรไทยให้คิดให้กรุงพวนจิตใจของเราตลอดมาและเข้าถึงนั้นแล้วมันพอถึงสมุทฐานสมุทรไทยอันใหญ่หลวงก็ได้แก่วิชาที่มันเกิดนี่เกิดขึ้นมาจากวิชานั่นแหละมันถือจิตเป็นฐานที่ตั้งของมันที่อยู่ของมันแล้วมันก็ปล่อยพิจตปล่อยภัยออกไปตลอดเวลาเราพิจารณาตตา้งเข้าไปกระทั่งถึงนั้นแล้ว อวิชานี่มันเป็นเองนะใครจะบอกว่านี่คืออวิชชาถอนขึ้นมาต่อหน้าต่อตา อ, อย่างนี้ไม่ได้หากเป็นเรื่องของธรรมกับกิเลสปฏิบัติต่อกันด้วยความเหมาะสมแล้วกิเลสขาดสะบั้นไปก็ขาดไปด้วยความเหมาะสมของธรรมที่ฟาดกันในเวลานานท น, นั้นนี่ที่สั้นว่าท่านบนรรลุธรรมบรรลุขั้นตอนนี้เองเมื่อไล่เข้าไปไล่เข้าไปไม่มีที่อยู่วัตตวัตตจากออกจากวัตตกิดวัตตะกิดออกจากอาวิชชา วิชาเป็นผู้พาหมูนให้เป็นพอเข้าถึงวิชาขาดสะบัานไปแล้วไม่มีสังขารก็เป็นสังขารรุนร้ว น, วนเป็นขนันรุ่นร้วนไปเลยเห็นรูปก็เห็นจกักแต่ว่าร่างกายเวทนาความสุขทุกข์มีแต่เพียงภายในร่างกายสัญญาความจำได้ไหมายรู้ก็เกิดดับเกิดดับเท่านั้นเน่ยวิญญาณก็รับทราบแล้วดับรับทราบแล้วดับนี่เรียกว่าขันรุ่นร้วน ไม่สร้างกิเลสขึ้นมาเหมือนกิเลสที่มีอยู่ในใจสิ่งเหล่านี้เป็นค่าสึกของมันได้เป็นอย่างดีเป็นทางเดินของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อวิชาดับลงไปแล้วขันทั้งห้านี้กลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปมทําท่านไม่ยืดกิเลสยืดอย่างกิเลสนี่มีอะ ย, ยืดหมดยืดหมดในเวลาเป็นเครื่องมือของธรรมคือครัวิชาเป็นเจ้าของของขันนี้ด้วยอุปทานของมันเองตัวของมันเองนั่นไง พอมันขาดตะบันไปแล้วอุปทานในขันท่านไม่มีหมดอวิชชาปัญญาดับลงไปขันจึงเป็นขันรุ่นรวนรูปเวทนาสัญญาสัางขรารวิญญาณมีอยู่ภายในขันนี้ท่านั้นไม่ได้มีอยู่ภายในจิต <c oughs> มีอยู่ภายในขันรุ่นรว น, วน <c oughs> เรื่องกิเลส ต, ตัณหาตวะทั้งหลายนี้ขาดเป็นคนเราววรรคตอนคนแล้วฝังแล้วฝากไปแล้วเห็นชัดชเป็นอัถนะ จะทําให้เป็นอะไรให้เป็นผู้มีกิเลสอีกเป็นไม่ได้เนียกว่าเป็นคนเราฝั่งวีมูดกับสมมูิขาดกันตรงอวิชาขาดนั่นแหละเพราะวิชาขาดลงไปวีมุตูดความดุดพ้นก็ถางขึ้นมาตรงนั้นเนีย่ยที่นี่แป็นคนเฝั่งเรียบร้อยแล้วนี่แหละท่านบนรรลุธรรมท่านบนรรลุอย่างนี้เองขอให้ท่านหลายจําไว้ให้ดีบรรลุตรงนี้เองเพราะวิชาดับ สมมุิทั้งมวล <c oughs> ก็คืออวิชชาเป็นตัวสมมุิขาดสะบันลงไปสิ่งทั้งหลายขาดไปหมดนั่นแหละที่นี่เป็นคนละฝั่งฟังวิโมกคือนิพานฟังสมมุติคือวัตถะที่นี่อยู่คนละฝั่งแล้วเป็นอาถราแล้วจะทำให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้แล้วก็มีแต่ขาดดีดดิ้นอยู่ <c oughs> ตามความเพื่อนไหวของตนที่มีชีวิตอยู่ตางนั้น พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปอย่างนั้นหวานก็รู้เค็มก็รู้อร่อยอะไรอะไรก็รู้แต่รู้อยู่ภายในขันไม่สามาร ถ, ถทีท่ซึมซาข้าไปถึงใจว่าดนะีนั้นนี่อ น, นั้นดีนะดีอยู่ภายในขันไม่ได้ดีเข้าไปถึงปิตบมีมูดนั่นนี่ละกิตที่หลุดพ้นเป็นอย่างนั้นหากรู้เองทุกคนทุกคนเรื่องขันมันมีข้องมนอย่างไรก็ให้รู้ตามมี เราก็ปฏิบัติตามความมีของขันขันเป็นขอเป็นเทศษที่จะปฏิบัติอยู่ได้การเช่นเพศของเราเป็นพระเราก็ปฏิบัติแบบพระของเรารักษาศีลชาติธรรมตามหลากแถงพระที่มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็รากล้ตามแบบตามฉบับของศีลสองอยเจอยู่ในวงขันอแต่จิตนี้ผ่านไปหมดแล้วจิตที่ดูดพ้นแล้วไม่มีสังขารไม่มีปาราชีกให้ท่านหลายจำเอาไว้นะ แสงคาบาลชิตมีอยู่เวลาที่กิเดสยังมีอยู่นี่เหล่านีอ้อีพออันนี้ขาดระบานออกไปแล้วแังคาบาลชิตไม่มีในท่านพระลาหนไม่มีมีอยู่เพราะในขันเรามีก็มีตามความโลคเขาตาำนิติเตียนเท่านั้น่ะเราจึงต้องรักษานที่สำขคมยอมรับไว้โดยดีตามเพศของเรา คือเราเป็นพระปฏิบัติตามหน้าที่ของพระเราเคยปฏิบัติมาอย่างไรไม่เคลื่อนทาดไม่เปลี่ยนแปลงปฏิบัติอย่างนั้นเช่นอย่างฉันเข้าเย็นอ่านี้นนนนนเสําหเลยอรหันแล้วมาฉันเข้าเย็นก็ได้ไม่ได้นะนั่นเห็นไม่ละเนี่ยคัดแล้วนะแล้วมาคำบิสุดนั้นไม่ อ, อะไรแล้ว <c oughs> พอหมดแล้วแต่เรื่องท่า่างขานันต้องปฏิบัติตามทาทาตามขานัน <c oughs> เช่นอย่างยกตัวอยา่างเช่นขัน ขันเข้าเย็นอย่างนี้ขันไม่ได้ปาประบติปาประบติอยู่ในธาตในขันนี่แหละ <c oughs> หมุนกันอยู่ที่นี่สองสังคมไม่ยอมรับสังคมดังเกียรติภิรหลักของพระอยู่ในสังคมนั้นส่วนจิตนั่นพ้นไปแล้วไม่มีวนาย่างไงก็ตามใครจะรู้จะละเอียดแลมคอมยิ่งกว่าพระทหารที่รู้ท่านแล้วท่านก็รู้วิธีปฏิบัติต่อธาตุต่อขันต่อสังคมต่า ง, างๆได้เป็นอย่างดี เาะนั่นจึงเลียบไปตลอดนี่แหะภายในพ้นแล้วไม่มีอะไรแต่สําหรับจิตใจที่เป็นทาสุขันนี้ <c oughs> เป็นเรื่องสมมูิสมมุติกับสมมูิมันเข้ากันง่ายตีกันง่ายชมกันง่ายก็ต้องปฏิบัตินี้ไม่ให้ไม่ธาตุขันธ์ที่แผงตัวไปเป็นรีบเป็นเดชให้สังคมลังเกลียจึงต้องปฏิบัตินี้ที่จะให้ไป ไปตัดตรงนะเราอดิจีไม่มีทางแหละเราปฏิบัติอยู่ตามท่าจำพรรษเพียงถึงวันกาถึงวันเวลาของมันเท่านั้น <c oughs> นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติให้ดีมากผลที่พ่านถ้าทาอยู่กับหัวใจของท่านผู้มีสติมีความภาคความเพียรดังที่กล่าวมานี้ก้าวเดินให้ดีนี่หละพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วทุกอย่างสมบูรณ์แบบ <c oughs> ที่ท่านว่าเรียกว่าสวาคารธรรมสวาคมคืออะไรตรัสไว้ชอบแล้ว ไม่มีที่จะขัดจะแยกไม่มีที่จะนำมาเพิ่มเติมหรือเอาออกไม่มี <c oughs> สมบูรณ์แบบท่านสอนไว้หมดให้เคารพพระธรรมและพระวินัยด้วยดีนะอย่าข้ามอยากเกินพระวินัยก็ดีพระธรรมก็ดีนั่นแหละคือศาสด า, า, าของพวกเธอทั้งหลายอย่างที่ท่านแสดงไปแล้วกับพระอา น, นุน <c oughs> ดูเกาะ อ, อ, อนุนพระธรรมกับพระวินัยนั่นแหละทมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสด า, าของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต เมื่อเราผ่านไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข่าโรภทำระวีัยซึ่งเป็นองค์แทนองาศาจธาเท่ากับเป็นาศาสดาของเราตลอดไปด้วยความระมัดระวังในศีลของเราระวังให้ดีนี่แล้วทางด้านธรรมะเอาแรงเข้าไปความเพียรอย่าเผลออย่าไผอย่าขี้เกียจขี้ข้านให้พยายามบำเพ็ญสติตั้งลงไปในธรรมบทใดตั้งให้จริงให้จริงให้จริงสติเป็นสําคัญมากนะ ถ้าเผลอสติแล้วงานจะขาดว่าขาดตอนไปเดินจงกลมก็ขาดนั่งอยู่ก็ขาดว่าขาดตอนขาดที่สติสติเป็นผู้ทำงานสติเป็นพื้นฐานสำคัญองให้พากันตั้งอกตั้งใจและการปฏิบัติธรรมถึงเรื่องมรรคผลนิพพานไม่สงสัยขอให้ดาเนินตามทางของศัตดาสุาทัธรรมและพิไหนนั่นแหละคือทางเดินและตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่จุดนี้นะ ไม่ได้ไปอยู่ที่เมืองอินเดียที่พระเจ้าฟรีผพานแล้วแล้วหมดเขตหมดสมัยนมากผลนิพพานไม่มีนั่นมันกิเลสตกหูตกตาสัตว์โลกตั้งหลายที่คอยจะลมเราจะเชื่อมันอยู่แล้วด้วยความตาบอดให้บอดหนักเข้าไปทศเดงผู้ตาดีคืออะไรเป็นผู้สอนไว้ผู้วางศาสนาคือใครเป็นผู้เป็นผู้วางพระพุทธเจ้าเท่านั้นกิเลสไม่ได้มาวางศาสนาไม่จะมมาสอนโลก ให้พ้นทุกพน้นผัยแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นผู้นาธรรมมาสอนโลกให้โลกได้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้นรกสวรรค์ทรรมโลกนี้ผ่านนี่คือคำสอนของศาสนาซึ่งมีตัวจริงทั้งหมด <c oughs> ไม่ใช่พระองค์สอนว่าบาป <c oughs> ว่าบาปมีความจริงไม่มีบาปมีจริงๆบุญมีจริงนรกสวรรค์ธรรโลกมีจริงๆตัวจริงมี นำตัวจริงออกมาสอนเป็นคำพูดคำจาบอกว่าอันนั้นชั่วทางนี้ดีให้ละถึงนั่นให้บำเพ็ญอย่างนี้ <c oughs> นี่คือศาสต า, า, าองค์เอกไม่ไม่หลอกลวงใครสอนโลกให้หลุดพ้นจากทุกมาจํานวนจากเท่าไหร่แล้วมีแต่พระพุทธเจ้าทั้งนั้นทั้งนั้นไอ้กิเลสตัวใดที่มันจะไปสอนโลกให้ดหลุดพ้นจากทุกข์ท้าวสศรเอาไว้่าสอนให้จมมีตลอดอืกิเลสมีแต่สอนให้จมลงจมลงธรรมะลากเป็นต่ออะไรกิเลสไม่ยอมฟังเสียง ให้จมลงจมลงอย่างนี้เป็นเรื่องของกิเลส <c oughs> เราตั้งหลายเรามาถือพุทธทางสันนักฉามีก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้านับถือพระเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าว่ากิเลสสันนักฉามีไม่บอกมันก็เป็นเองไมได้หัวใจของเราไปที่ไหนมีแต่กิเลส จ, จูงไปนะทำมากแต่จูงไม่มีน้อยมากให้เราปฏิบัติตามอัตามตามคํ า, า, า, า, า, าสอนของพระเจ้ายากลําบากเอายากเถอะพระพุทธเจ้าพาผ่านมาแล้วทางนั้นสลบสามหมุนพระพุทธเจ้า เห็นไหมเลยสรุปแล้วก็ตายเท่าระเดงนั่นทุกเด้ไม่ถูกก็เราลูกศิษย์สถาโกศคอยล้างมือเปิกเข้ากันไม่ได้นะต้องอุตส่าห์พยายามศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาทำพระหประการนี้สําคัญมากทีเดียวีอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่อินทรี่ห้าคือศรัทธาศรัทธาอย่างที่กล่าวมาจากทีนี้เดียวอินรี่ห้าความเป็นใหญ่ในความบ้าเปลียนต่างหลายจะพุ่งถึงนิพพานได้โดยอำนาจแห่งอินทรี่ถึงห้านี่แหละ ชาติธานะัวิริยะสตินั่นสมาธิปัญญาเนี่ยนี่แหละกําลังใหญ่หลวงอยู่ที่นี่ให้พากันตั้งออกตั้งใจยาไปหลงโลกามิดเรื่องโลกเรื่องของศาลมีอย่างนั้นแหละอันนั้นมีมาอันนี้หายไปหายไปทำถ้ามีมาแล้วบํารุงให้ดีแล้วมีแต่จะพาให้หลุดพ้นโดยใจเดียวให้พากันตั้งออกตั้งใจนานๆจะเดิมาพบกันที่หนึ่ง <c oughs> ผมก็มา แ, ะแนะนําสั่งสอนตั้งหลายวันนี้สอนพอเป็นแนวทาง ตั้งแต่เริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติจนกระทั่งอัฐุภาอสุพังข้ามถึงมรรคผลนิพพานมีมุตลุพ้น์ก็คือธรรมชาตินั่นเองสอนให้เต็มเหนี่ยวแต่สอนย่อๆนะเวลาไม่พอขอให้ดำเนินตามที่สอนนี่เลย ว, ว่าไม่ผิดอเราจะเป็นผู้ทรงมรรคผลนิพพานตลาดหลวงพุทธานอยู่ที่หัวใจของเราที่เต็มพระเดียวกวามภาคเพียรนี่แหละให้พากันตั้งอกตั้งใจอ น, นี้ให้ดีการปฏิบัติเรื่องตัวเองให้เป็นคนดีมันยากมันลําบากนะ แต่ถ้าเป็นคนชั่วมันปล่อยตัวปล่อยตัวไปเลยนะนี่การปฏิบัตินี่เราพูดถึงเรื่องวงกรรมฐานของเราท่านทศชาอยู่ในป่าในเขาแล้วใกล้ใกล้ชิดต่อป่าต่อเขาลำเนาไผ่ประกอบความภาพเปลียนให้เป็นไปการต่อการสร้างอย่าภากันยุ่งเหยิงวุ่นวายนักกรรมฐานเรามากักจะเป็นบ้าอยู่ตอนนี้นะ ไอ้เรื่องการก่อนั่นสร้างนี้นี่เป็นเครื่องกังวลอย่างน้อยมากกว่านั้นสั่งสมกิเลสความเพียรทางด้านจิตใจห่างเหินห่างเบิ่นไปห่างไปเลยตกลงเลยเอาความเพียรทางด้านวัตถุเข้ามาเป็นมรรคเป็นผลไปเสียไปที่ไหนยังมีแต่เรื่องแต่การ ก, รอก่อการสร้างมันสร้างหาอะไรพระพุทธเจ้าพาสอนที่ไหนให้สร้างหัวใจต่างหากศีล ส, สมิศีลาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นสร้างที่หัวใจไม่ใช่ท่านสร้า ง, างพุทธิสาร วัดวาอาวาดให้รู้หลาฟู่ฟ้าสวยงามตกแต่งตั้งแต่ภายนอกภายในโลกหลงลังไม่ดูอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีตกแต่งเท่าไหรให้มัดีเท่าไรมันไม่ดีล่ะโลกมันจะไม่งั้นจะเรียกว่าโลกโสกโปกได้ยังไงตกแต่งเท่าไหรก็กิเลกก็เป็นตัวโสกโปกมันตกแต่งไปฮะสวยงามมันก็สวยงามแบบกิเลกกิเลสว่าสวยงามขนาดไห น, นั่นแหะในสายตาของธรรมเรียกว่าโสมกโปกขนาดนั้นพิจกันอย่างนั้นน่ะ เพราะันเราอยู่ยังไงให้อยู่ไปอ ย, ย่ายุ่งอย่างวุ่นวายกับการกอร่อการสร้างนักไม่ดีเลยพระพุทธเจ้าไม่ทรงชมเชยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีพระเจ้าพระสงค์เข้าเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอมานั่งปั๊บชนนันไปยังไงอยู่ในป่านั้นเขาหลูนั้นการประกอบความภาคเพียนเป็นยังไงยังไงมีแต่อย่างนั้นในัมผีนะพอมาถึงปั๊บไปยังไงศาลาใหญ่เสร็จแลี้ยงยังโบสถ์ใหญ่เสร็จเลี้ยงยัง แะอันนั่นอันนี้การก่อการสร้างพุ้นวายเหมือนหมาขี่เลือนเก่าไม่อยู่ไม่ถอย น, นั่นเสร็จแล้วยังท่านไม่ได้เห็นเลยว่านะพวกเรามันขนควยไปอย่างนั้นนะพวกนี้พวกเก่าในที่ไม่คันหมาขี่เลือนเขาเก่าถูกที่คันนะเก่าที่ไหนหมาขี่เลือนเก่าแม่นยามากนะเกา่ายิ่งๆตรงนั้นมันคันไนไอ้เราเนี่เก่าดะเก่าด่เก่าด่พวกเก่าด่าสู้หมาขี่เลือนไม่ได้ถ้าให้มันจะหนีใจไปกราบหมาขี่เลือนจะดีกว่าพวกเราสู้หมาไม่ได้ ม้าเขาเก่าถูกตี้กันพ้าเรานี่เก่าดา่าเก่าดา่าเป็นบ้าการก่อการสร้างไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนี้เป็นเรื่องสั่งสมเิเล็เป็นเรื่องวัตถุมันเป็นศาสนาวัตถุไปแล้ว น, นานๆศาสนธรรมจริงๆสั่งสอนเราให้ <c oughs> ปฏิบัติอย่างที่ว่านี่แหละที่สอนมาเบื้องต้นนั่นแหละศาสนธรรมแท้จะทําจิตใจของเราให้เลิอเล่อเรือตรงนั้นให้ตกแต่งตรงนั้นแก้ไขตรงนั้นซักฟอกตรงนั้นอย่าไปหาตกแต่งทีง่อื่นแก้ไขที่อื่น ถึงวันตายก็ไม่ไ ม, มีอะไรพเพราะกิเลสพาตกแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายไปตลอดเวลาจนกระทั่งวันตายแต่แล้วหาหลักหาเหตุมาได้คนเป็นนักก่อสร้างนำนักก่อสร้างภายใน จ, ใจิตใจจำร่าสฎร์สาวจิตใจให้ดีนี้โอ้ ย, ยิ่งขึ้นไปโดยลาดับอยู่ที่ไหนสบายหมดทำร่าให้หมดให้หมดมันขัดข้องตรงไหนมองมองตรงไหนจิตเนี่ยแก้กันไปแก้กันไปซักฟอกกันไปจกนกระทั่งสง่าขึ้นมาสง่าขึ้นมาทว่ายิ่งระมัดระวังยิ่งรักษาบํารุงได้ดีได้ดี สุดท้ายก็หลุดพ้นจากทุกไปเลยหมดไอ้เรื่องทุกทั้งหลายไม่มีในจิตพระาราหันหมดเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างทุกกิเลสสิ้นไปแล้วจะทุกมาจากไหนนี่แหละการแก้ไขดัดแปลงบำรุงรักษาจิตใจไปอย่างนี้นะนี่เราไปหาตั้งแต่บำรุงรักษาแก้ไขสิ่งนันมันมีสิ่งนี้ไม่ดีแล้วยุ่งกันแต่เรื่องด้านวัตถุมันเป็นยังไรกรรมฐ า, านเรามันเป็นบ้ากันหมดแล้วเหรอเราอยากถามบางท่นหรือถามแล้วก็ไปดูนะ มันขวางหูวขวางตาไปที่ไหนเรื่องการก่อการสร้างออกหน้าออกตาวัตถุสิ่งที่มาก่อสร้าง น, นี้มันเอาเงินมาจากไหนมาไม่กวนชาวบ้านเขาไปที่ไหนกวนบ้านกวนเมือง เ, อเห็นอัตมากํ า, ยยากลังสร้างนั่นน่ ย, ยมอัตมากําลังสร้างนี้น่ายอมยังขาดเท่านั้นน่ายอมยังขาดนี้ที่นี้พระกับโยมที่สัน่นว่าปุญญคเสตังพระเจ้าป ร, ร, ระชาชนเห็นน้ายู ที่เป็นบุญยักษ์เถิแล้วกราบไหว้บูชาเป็นความตาคนใจชุ่มเย็นไปทั้งวันแต่เราไปเห็นพระนักก่อสร้างควรบ้านกวรเมืองเป็นพระผีบอกไม่ที่ไหนกวร5้าควรสิบไม่ก็ไม่อยากพบอย่างหลวงตาวัวเป็นคารวานที่จะโดดเข้าป่าเลยไม่อยากพบพระประเภทนี้เราเป็นพระประเภทไหนเป็นผ้าให้เขาอยากพบหรือเป็นพ้าให้เขาวิ่งเข้าป่าเอาไปถามตัวเองทุกคนนะอย่าไปกังวลกับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของโลกจนกระทั่งเป็นโรคล้นล้วนไปเลย ว่าให้พิจารณาทางด้านปัญญามันจะดิดจะดิ้นไปไหนที่เละอยู่ภายในจิตใจนี่นะมันดิ้นที่ไหนก็รู้ว่าที่เละอยู่ที่ใจเอาทําก็อยู่ที่ใจฟาดกันลงด้วยสติปัญญาบางคับบัญชาเนี่ยอ่ะมันมันอยากไปไม่ไปไปที่สิ่งที่เสียงไอเช่นอย่างมันจะก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้ไม่สร้างจะสร้างที่จิตใจนี่ให้มีความแน่นหนามันโกงขึ้นมาสง่างามคนที่นี่พอใจสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นละมีมูดหลุดพ้นแล้ว เป็นธรรมธาตโดยสมบูรณ์แล้ววูสิตังประมาจริยังกตังกริยังนาประริติจิติเพราะมาจันได้อยู่จบแล้วคือางานอันใหญ่หลวงที่สุดคืองานถอดถอนที่เรศได้สิ้นเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วงานที่ควรจะทําได้ทาเรียบร้อยแล้วคือกอมพักเพียรชำระกิเลศงานอื่นที่จะทําให้ยิ่งกว่านี้ไม่ไมี เนี่ยท่านผู้สรงธรรมบูชิตังบัมบัติยงังท่านผู้าําระจิตใจท่านมีความสงบสุขด่มเดี่นท่านไม่ต้องไปแก้ไขสร้างอะไรอยู่ใบจินไปวันหนึ่งไปที่บินตบากเขาได้อะไรมาไม่เคยสนใจคือจิต ม, มันไม่ไปเกี่ยวกับโลกธรรมมันอยู่ในใจพอแล้วยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยอาหารปัจจัยเพียงเล็กนะ้อยพอพอพออะไรอะไรก็พอถ้าใจพอสิอย่างเดียวพอไปหมดนะ ถ้าจะยุ่งเสิอย่างเดียวเอา <c oughs> สมบัติเงินทองของมากองท่วมเมฆมักมนก็หิวอยู่นั่นแหะยังอยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้เนี่ยกิเลสไม่มีคําว่าพอตัวหิวตัวไอ้ที่สุดคือกิเลสให้พากันดูกิเลสมันอยู่กับหัวใจเราอยู่กับหัวใจพระยาพากันดีกันดีเฉพาะอย่างยิ่ ง, ง, งการก่อการสร้างเป็นสิ่งที่น่าตํำหนิมากนะวิ่งไปตามโลกตามสารเขาหมดไมีแต่ด้านวัตถุสร้างวาัดสร้างวัดที่ไหนโอยดูหลาฟูว่า แต่หัวใจแห้งผ่าวด้วยสีด้วยสามฟืนไฟเต็มอยู่ในหัวใจไฟที่เหลกไฟตันดาเต็มหัวใจหาความสงบสุขไม่ได้เอาความสงขมาที่ไหนพระเรานะ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ลงไม้อยู่เท่นะ่ะขอจิตมีความสงบร่มเย็นสบายจังนั้นเดินไปไหนไปไหนมันจง่างามอยู่ภายในตัวเองใครเห็นใครพบที่ไหนเขาอยากกราบอยากไหวชมเมชชมผลเขากล่บว่าก็เป็นปบุญเป็นกุศลแก่เขาจริงๆไม่สงสัยนะท่านเองท่านก็พองท่านอยู่แล้วนี่ลนะเรื่องสร้างจิตใจ ให้เป็นความสง่าราศีดีงามตลอดถึงความเรื่องเลยอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่วัตถุอิดปูนหินทรายเหละราเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วไปอยู่ที่ไหนก็มีเรานั่งอยู่เวลาที่ก็มีอดอยากอะไรแล้วใครเป็นผู้พิเศษทั้งๆ ท, ง ท, งที่นั่งอยู่กบ็บิดกระปูนก็หินน้ทรายด้วยกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีใครเป็นผู้พิเศษไหนไม่มีคนที่นั่งอยู่บนหัวกิเลสเอากิเลสขาดสะบั้นไปผู้นั่นแหละเป็นผู้วิเศษจากความเพียรของตนไอ้ทหารจําวันนี้ไว้ละ วันนี้ก็พูดไงตัว น, นี้พูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล่าแล้วขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอาด